จเจริญพรทุกทุกท่านมาฟังทำเป็นเรื่องดีกับชีวิตเราช่วงหลังๆนี้มีข่าวสะดังๆเยอะบางคนถือออกปากว่าไม่นับถือแล้วศาสนาพูดไม่ปฏิบัติแล้วคนที่พูดอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติหรอก การปฏิบัติจริงๆจะแยกออกว่าอะไรคือพระพุทธศาสนา พ, พุทธศาสนาคือตัวสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าปรินิ พ, พานท่านมอบพระธรรมวินัยไว้ให้เราเป็นตัวแทนท่านพระธรรมวินัยนั้นมันด่างพลอยไม่ได้มันเป็นสัจจะที่ด่างพลอยอยู่ที่คนนี่พอคนไม่ดีบอกว่า เลืิกนับถือพระพุทธเจ้าเลิกนับถือศาสนาพุทธเลิกปฏิบัตินี่ไม่ไม่ใช่ชาพุทต์หรอกชาพุทต์จะไม่หวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้เือนเรื่องของโลกโลกเจริญได้ก็เสื่อมได้นะสุขได้ก็ทุกข์ได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้โลกก็เป็นอย่างนั้นมีลาบก็เสื่อมลาบได้เรื่องของโลกโลกนี้พล่องอยู่ตลอดเวลาบกพร่อง ไม่สมบูรณ์อย่างที่อยากเราก็จอยากให้มันดีนิรันดรให้มันสุขนิรันดรให้มันสงบนิรันดรแต่มันไม่มีโลกคือหมู่สัตว์กะทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าเมตตาเป็นธรรมขำจุนโลกถ้าใจไม่เมตตากันก็ทำร้ายกันไปเรื่อยๆบัณฑิตทั้งหลายนะเห็นโทษเห็นภัยของโลก ว่าโลกนี้มีทุกมีโทษแสนสาหัสโลกภายในกับโลกภายนอกก็ทุกทั้งนั้นโลกภายในก็คือกายกใจของเรานี้พระเจ้าบางทีท่านก็บัญญัติกับว่าโลกว่าคือรูปนามนี้เองคือกายกใจของเราที่เองนี่ก็โลกโลกภายในโลกข้างนอกมันก็ยุ่งแบบโลกข้างนอกนะมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นธรรมดา นบัณฑิตทั้งหลายพอเห็นโทษเห็นภัยของโลกก็กวนกวายว่าทำยังไงจะพ้นจากโลกไปได้โลกมันไม่ดียังไงอยู่ในโลกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องผิดหวังไม่สมปรารถนามีความเศร้าโศกร่ำไรราพันความไม่สบายทางกายไม่สบายทางใจมีความขับแคนใจ ี่โลกมันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมดาของโลกถ้าต้องการจะพ้นโลกจริงๆต้องเรียนรู้โลกพระพุทธเจ้าท่านพ้นไปท่านเรียกว่าโลกกับวิทูผู้รู้แจ้งโลกอยู่ๆจะไปรู้แจ้งโลกเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้โลกโลกภายในกับโลกภายนอกเนี่ยถ้าเรียนที่คนอื่นเรียนที่ข้างนอกเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นถ้าอยากเพิกถอน จิตใจออกจากโลกก็มาเรียนรู้โลกภายในมารู้ปายมารู้ใจของตัวเองวันไดภูมิปัญญาของเราแกกล้าแจ่มแจ้งเราเห็นเลยว่าโลกนี้คือกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกลับมารู้สึกตัว <laughs> <laughs> เห็นหลวงพ่อไปสารเดินมานนะใจไปอยู่ที่ท่านหมดเลย <laughs> อย่างนี้เรียกว่าแม่เอาไหนนะเออให้ใจอยู่กับตัวเองจะเรียนรู้โลกนะจะไปเรียนรู้โลกได้คือจะมารู้ไารู้ใจตัวเองได้เนะี่ยมันต้องรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนนะต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนใจเราล่องลอยหนีสเปียรสปะาเป็นตลอดเวลาอย่าคิดเลยว่าจะพ้นโลกเพราะว่ามันไม่ได้เคยเรียนรู้โลกที่แท้จริงเลย โลกก็คือกายยาวานาคืบคว้างสอบมีสัญญามีใจคลองอยู่นี่เองมาเรียนโลกอันนี้ให้ดีวันใดที่รู้แจ้งเห็นจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจมีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไป ถ้าเห็นได้อย่างนี้จะรู้ในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ที่เราจะหยัางเท้าลงแล้วมีความสุขได้เลยนะเพราะอะไรจะเอาอะไรไปอยู่ในโลกต่างๆก็เอากายเอาใจนี้ไปอยู่นะมีกายมีใจอยู่กนะ็ยังเรียกว่ามีก้อนทุกข์อยู่มีตัวทุกข์อยู่นะเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจนี้ได้นะจิตพรากออกจากขันจิตไม่เข้าไปเกานะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวเพราะรู้แจ้งแทงตลอดว่าขันนี้ไม่ใช่ของดีนะ กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตมันจะสลัดตัวออกจากโลกเองมีจริงมันสลัดโลกออกไปจากใจสลัดทิ้งสลัดอะไรสลัดร่างกายทิ้งไปนะมีร่างกายแต่จิตไม่เข้าไปยึดเลยสลัดจิตใจทิ้งมีจิตใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตไม่เข้าไปจับต่างคนต่างอยู่จิตกะทาหน้าที่เป็นธรรมชาติรู้ แต่มันชาติรู้ที่บริสุทธิ์ที่สะอาดถ้าจิตยังไม่มีปัญญาแก่รอบเรียกว่ามีอวิชชามีอวิชชาอยู่อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกนั่นแหละไม่รู้ว่ากายในี้ใจนี้คือตัวทุกข์เวลาที่เราเรียนรู้นะเราจะมุ่งมาเรียนให้เห็นทุกข์นะไม่ใช่เรียนปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีทุกข์ มีแต่สอนนะให้เรารู้ทุกนะรู้ทุกอะไรเป็นทุกท่านบอกนะสังคิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือรูปนามกายใจของเรานี้แหละคือตัวทุกทําอย่างไรเราจะเห็นความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกไม่ใช่แกล้งคิดเอาเองนะต้องเห็นด้วยใจด้วยปัญญาจริงๆถ้าปัญญาเรารู้แจ้งแทงตลอดในกายในใจในรูปในนามนีนะ้ว่ามันเป็นตัวทุกแล้วก็ มันจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อมันหมดความยึดถือในกายในใจแล้วความอยากใดๆจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยเพราะความอยากทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะมีมากมายกี่ร้อยกี่พันชนิดก็ตามย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้ามันรู้แจง้งแทงตลอดในกายในใจแล้วเนะี่ยความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีมันพ้นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันมีความสุข ก็ไม่มีนะไม่มีความอยากให้มันเป็นสุขเพราะรู้ความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเมื่อไหร่เหน็นได้นะทองแท้นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วก็ไม่อยากได้มางคนนิพพานก็ได้ต้องได้นะแต่จะค่อยเกิดปัญญาแก่รอบขึ้นเป็นลําดับลําดับเป็นชั้นๆไปปัญญามจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาไม่ได้มาลอยๆปัญญาเกิดจากการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตามรู้การทํางานของกายของใจ งั้นถ้าอยากจะพ้นโลกนะพนทุกนะก็มีทางเดียวมาเจริญสติปัฏฐานน ะ, จะเจริญสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจจนเห็นความจริงของกายของใจนี่คนในโลกเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัววันวันเอาแต่ใจลอยหลวงพ่อไผยสารมาก็ใจไปอยู่กับท่านนี่เรียกว่าหนีตามนะ <laughs> เจออะไรก็หนีตามเขาไปหมดใจนี่จะวิ่งแว๊บๆ ขณะที่ใจของเราวิ่งไปไหลไปเนี่ยเราลืมตัวเราเองเวลาใจเราไหลไปส่วนใจไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปคิดเนี่ยมากที่สุดนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับตอนหลับก็เรียกว่าฝันก็ใจมันคิดพอมันคิดไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมแลงานแรกที่จะข้ามวัฏฏะให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อน รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจให้ได้ทําไมมันถึงจะรู้สึกได้ต้องฝึกเอาต้องฝึกเอาเบื้องตอน้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ทําเพื่อเอาดีไม่ได้ทําเพื่อเอาสุขไม่ได้ทําเพื่อเอาสงบส่วนใหญ่ทําสมาธิทําอะไรนะมุ่งไปเอาดีเอาสุขเอาสงบดีมันไม่เที่ยงสุขมันไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงไม่ได้เอาหรอกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตเอาไว้ จะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตเพราะบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขานะทํำยังไงศีลที่ถูกต้องจะเกิดบทที่สองชื่อจิตสิกขานะต้องเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตได้แจ่มแจ้งแล้วก็สมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิจะมีทั้งสองลักษณะนะสมาธิ ท, ท, ที่ดนะีอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตไปสงบเช่นรู้พุโทโธจิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลย รู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไม่ไหลไปที่ท้องด้วยนะไม่หนีไปที่อื่นด้วยนะแค่สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่เราต้องค่อยค่ยคยฝึกเมื่อต้นทํากรรมฐานอย่างหนึง่งนะจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็ต้องทำนะอย่าไปคิดว่ามันละยากลําบากถ้าเราคิดจะนั่งสมาธินั่งอะไรเนี้ยเพื่อให้สงบเนี้ยอันนี้ลาบากเพราะใจเราคุ้นเคยที่จะฟุง้งซ่านแต่ละถ้าเราทําสมาธินะภาวนาไป เพื่อจะรู้ทันจิตอันนี้จะไม่ยากเลยเช่นเราเริ่มลงมือพุโทโธพุโทโธเรารู้ทันจิตนะโงจิตฟุง้งซ่านจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ว่ามันจิตสงบก็รู้ว่าสงบนะคอยรู้ทันมันด้วยจิตที่ฟุง้งนซะ่านเนี่ยเป็นจิตที่ไหลไปนะส่งเคลื่อนไปนะส่งไปดูรูปส่งไปฟังเสียงส่งไปดมกลิ่นส่งไปลิ้มรสส่งไปรู้สัมผัสทางกายส่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจนะี่จิตมันจะส่งออกไปเคลื่อนไปตลอด เราทํารรมฐานแล้วเราคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปนะส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดเพราะ ง, งั้นบางคนเนี่ยดูแค่จิตคิดก็พอละดูจิตคิดแล้วจะได้สมาธินะไม่ใช่ได้ปัญญานะเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บความรู้สึกตัวจะเกิดหลวงพ่อพเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือการที่จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นคือสมาธิที่สําคัญมาก สมาธิมีสองแบบนะอันหนึ่งไปสงบอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอันที่สองตั้งมั่นนะจิตใจเนี่ยตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่ไหลไปโดยไม่ได้บังคับไว้นะสมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนอย่างที่สองเอาไว้พักผ่อนก็ได้เอาไว้เดินปัญญาก็ไดนะ้ทำได้หลายอย่างคลิกแปงออกไปงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันไหลไป เช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดแล้วอ้อนไปคิดเรื่องอื่นละลืมพุทโธละก็รู้ทันหรือว่ารู้ลมหายใจหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมการหายใจก็รู้ทันว่ามันไหลไปละนะหรือว่าหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันอีกว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจอีกการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปน่จิตจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ เพราะอะไรเพราะจิต ท, ที่เคลื่อนเนี่ยเป็นจิต ท, ที่ประกอบด้วยโมหะนะชื่ออุดทัตจากความฟุ้งซ่านจิตมันจะฟุง้งมันจะซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทันทีที่สติเกิดรู้ทันนะว่าจิตมันไหลไปเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดเพราะอะไรเพราะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนะนี่เป็นกฎของธรรมะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสงั้นเรามาฝึกให้มีสติให้มากนะ ทำอย่างหลวงพ่อภัยสารก็ได้ขยับมือนะขยับมือแล้วอย่าไปเพ่งใส่มือนะเพ่งใส่มือเป็นสมถะจิตไปเพ่งอารมณ์มันเดียวขยับมือไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไหลเข้าไปอยู่ที่มือก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะหยุดเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงพ่อตอนไปเรียนทีแรกกรรมฐานทีแรกนะหัด อนาปนสติแต่ให้จิตไปอยู่ที่ลมนะจิตไปอยู่ที่ลมจนลมหายเป็นแสงนะจิตไปอยู่กับแสงแล้วก็อยู่ได้อย่างนั้นมีแต่ความสุขเฉยๆนะปัญญาไม่เกิดเสียเวลาอยู่ตรงนี้กับสมาธิชนิดแรกเนี่ยตั้งยี่สิบปีจนปีสร้ยยี่สิบหึงเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะหลักการที่จะดูจิตเื้องต้นในท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าจิตออกนอกก็คือจิตที่ไหลไปนั่นเอง ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนใหญ่ก็ไหลาทางใจคือไหลวิชิตทนะ่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกห้ามได้ไหมว่าไม่ให้จิตไปห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเพราะงั้นเราแค่ว่าเมื่อไหรรู้ว่าจิตออกนอกเมื่อนั้นจิตไม่ออกนอกเมื่อไหรรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องบังคับจิตแม้แต่นิดเดียวจิตเหมือนเด็กซุกซนนะเราบังคับมากยิ่งดือ้อ เราก็รู้ทันนะเขาหนีไปซนแล้วก็ดูดูมองมอ ง, มองเด็กมันเหนียมเนียมกลับมาได้นะมันก็ไม่หนีไปเนี่ยค่อยรู้สึกนะเพราะงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาสะก่อนถ้าอยากจะเจอวิวัตตะจริงๆไม่ใช่ฟังธรรมะเล่นๆนะเรื่องวิวัตตะเนี่ยกวนะ่าจะข้ามโลกได้นะ้เลือดตากระเด็นนะเข้าสู้อันแรกเลยสู้กับความความไม่รู้สึกตัวนะ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปหาเรื่องที่คิดก็ได้เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะทำอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งต่อไปเนี่ยสติมันจะเกิดเองเพราะจิตมันไปจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะจิตมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้ ท, ทันทีที่สภาวะที่จิตเคลื่อนเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะต้องฝึกนะจนสติอัตโนมัติเกิดค่อยๆฝึกฝึกทุกวัน แบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาที20นาทีนั่งสมาธิหรือปฏิบัติในรูปแบบไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนแต่อย่าไปบังคับไม่ให้เคลื่อนนะห้ามบังคับให้แค่รู้ทันจำไว้นะจำไว้จาไว้แค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนอย่าไปบังคับว่าห้ามเคลื่อนถ้าบังคับนะจิตจะแน่นรู้สึกตัวจริงนะเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะเห็นกายเห็นใจทำงานได้แนะแต่จิตจะนิ่งทื่อๆอยู่ จ, จะแข็งแข็งทื่อๆอย <ged> ู่นั้นไม่ใช่ของจริงหรอกมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะยกเว้นไอ้ตัวผู้รู้นี่เที่ยงเห็นอะไรก็เป็นทุกหมดเลยยกเว้นตัวผู้รู้เป็นสุขเห็นอะไรก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยกเว้นจิตนี่แหละรู้สึกฝึกดีแล้วบังคับใจเป็นอัตตาจะเพี้ยนไปงั้นอจะไปบังคับจิตให้รู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตไม่รู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปหลงไปความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเอง เมื่อจิตรู้สึกตัวได้แล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจือเรียนรู้โลกเรียนรู้ทุกข์นั่นเองนะเราจะเรียนจนมันแจ้งเลยแจ้งว่าร่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความจริงมันเป็นทุกข์ล้วนๆอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเองความหลงผิดนะสัญญาวิปราชการหมายรู้ผิดๆก็าบังไว้นะ จิตวิปลาดการคิดผิดผิดก็บังไว้นะทิฏฐิวิปลาดความเชื่อผิดผิดก็บังไว้มันถูกบังไว้มันไม่เห็นความจริงหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกแต่เราถูกความเพี้ยนต่างๆเนี่ยมันครอบงําอยู่เราเลยไม่เห็นของจริงปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเราดูว่าของจริงเป็นยังไงนะดูว่าของจริงเป็นยังไง ร, ร่างกายเนี่ยจริงๆเป็นยังไงร่างกายจริงๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่นะ เที่ยงหรือไม่เที่ยง <Eigen> บังคับได้หรือบังคับไม่ได้กันแน่นะจิตใจละ่ะตัวจริงของจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูให้เห็นของจริงของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วแต่เราไม่อยากดูไม่อยากเห็นนะเราถึงหลงอยู่กับโลกอยู่กับก้อนทุกข์นี้ห่วงแหนก้อนทุกข์นี้สุดจิตสุดใจเลยนะความจริงแล้วไม่มีอะไรรู้อย่างที่กายมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะ แต่เราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่งั้นจะเอาอะไรไปดูมีร่างกายแล้วลืมร่างกายแล้วมันจะไปเห็นความจริงของร่างกายได้ยังไงมีจิตใจก็ลืมจิตใจแล้วมันจะไปเห็นความจริงของจิตใจได้ยังไงนะเพราะนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้นะงานแรกต้องพัฒนาความรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวได้แล้วเราจะก้าวต่อไปถึงขั้นการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามคัน5้ากายใจของเหล่านี้ วิธีการที่สำคัญมากเลยนะขั้นแรกสุดเนะี่ยเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูอย่างพวกเราตอนนี้หายใจไหมหายใจอยู่ใช่หมหายใจแล้วรู้สึกไหมตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมีจิตใจของเราเป็นคนรู้ว่าไอ้ตัวนี้หายใจอยู่ค่อยๆดูนะจะพบว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน นะหรือขยับมือนะหลวงพ่อไผสารแนวหลวงพ่อเตียนขยับเนียขยับนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจเป็นคนดูเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะค่อยๆหัดหรือยืนเดินนั่งนอนนะยืนอยู่ตอนนี้นั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะค่อยฝึกอย่างนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนานะแตเป็นจุดตั้งต้นก่อ น, อนที่จะทาวิปัสสนาได้เขาเรียกว่าการแยกรูปนาม นะมีปัญญาสามารถแยกรูปนําได้เรียกว่านํารูปปริเฉทญาณเป็นญาณที่หนึ่งเป็นปัญญาขั้นเบื้องต้นที่สุดเลยงั้นก่อนที่จะขึ้นไปวิปัสสนาเนี่ยต้องแยกรูปแยกนําเป็นต้องแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆเป็นแม้นขึ้นวิปัสสนายังไม่ได้จริงหรอกนะจะเป็นนั่งคิดเอาเองง้เราต้องมาฝึกนะฝึกให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วค่อยๆสังเกต ร่างกายมันนั่งเราเป็นคนดูใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหายใจจิตใจเป็นคนดูรูปเคลื่อนไหวนามมนามธรทำคือจิตเป็นคนรู้คนดูนะฝึกให้มากเลยฝึกทุกวันทุกวันซ้อมไว้นะมันต่อไปมันจะมีความรู้สึกว่ารูปนามกันห้ากายใจนี่มันจะแยกออกจากกันเป็นส่วนๆมันแยกด้วยความรู้สึกนะ ไม่ได้แยกแบบสมาธิถ้าแยกแบบสมาธิเราทําสมาธิเราถอดจิตออกจากร่างกายเหมือนเป็นดาวเทียมแนละไปอยู่ข้างบนสูงๆเลยมองย้อนลงมาอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิถ้าจะแยกรูปนามกายใจเนี่ยเราค่อยๆรู้สึกแปลว่าร่างกายมันส่วนหนึ่งใจของเราอยู่ส่วนหนึ่งโคราณกันมันจะมีความรู้สึกว่ามันแยกออกจากกันนะแต่ไม่ใช่แยกห่างเลยในบางคราวแยกบางคราวกลับไปรวมอีกก็ไม่ต้องตกใจ นะรู้บ่อยๆต่อไปมันจะตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายกระใจเ น, นี่ยโคลนอันพอกลยกระใจเป็นโคลนอันนะต่อไปค่อยๆสังเกตอีกนั่งให้นานเลยนานที่สุดเท่าที่นานได้นะเอาให้มันปวดให้มันเมื่อยใจแทบขาดไปเลยแข้งขาแทบหักไปเลยแล้วค่อยๆสังเกตไปแต่เดิมแข้งขาเราไม่ได้ปวดได้เมื่อยนั่งไปนานๆ น, น, นะความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาอยู่ในขาหรืออยู่ที่เอวที่หลังที่คออะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าค่อยเห็นตั้งแต่มันแทรกเข้ามาเนี่ย เราจะแยกออกว่าร่างกายก็อันนึงนะความปวดความเมื่อยที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยเป็นอีกอันนึงจิตเป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ความปวดความเมื่อยพนะอเห็นตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งลุกนะทนนั่งมันไปอีกนั่งไปมากๆจะเห็นเลยจิตมันเริ่มกระสับกระสายก็นั่งนานอย่างนี้จะเป็นอมพาดไหมนี่นะนั่งนานอย่างนี้เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคลมังเนะนี่ยกิเลสเริ่มหลอกแนละ้นะให้ดูใจที่ฟุ้งซ่านนะสังเกตเลย ความปวดอยู่ที่ขาความฟุ้งซ่านอยู่ที่ใจเพราะฉะความเจ็บปวดนะกับความฟุ้งซ่านเนี่ยคนละอันกันนะคนละอันกันตัวความฟุ้งซ่านของจิตใจเรียกว่าสังขารสังขารขันนะคือพวกปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเรียกว่าสังขารขันนะเวทนาขันก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะเนีก็แยกร่างกายก็เป็นส่วนของรูปจิตก็เป็นส่วนของวิญญาณขันค่อยๆหักไปนะ ค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปพอแยกได้ชำนี้ชำนาญ น, นะก็ถึงขั้นจะดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เราจะเห็นว่าสภาวะอันใดอันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปนะสำหรับพวกเราชาวเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนจำนวนมากในเมืองนะคือการเจริญปัญญาด้วยการรู้นมามธรรม แต่บางคนประเภทรักสวยรักงามรักสุขรักสบายมากเลยนะทําตัวแบบนกหงส์หยกอยู่หน้ากระจกทั้งวันอะไรอย่างนี้นะพวกนี้ให้ดู ก, กายพวกหลงตัวเองรักตัวเองมากนะว่ามันสวยงามร่างกายนี้น่ารักหน้าหวงแผนให้ดูกามากๆนะกายมันจะสอนมวยให้ดูว่าร่างกายนี้โสมปลกนะร่างกายนี้มีแต่ความบีบขันอยู่ดีๆนั่งเก้าอี้ตัวละแสนนั่งนั่งไปก็เมื่อยเหมือนกั น, น่ะเหมือนกับ น, นั่งเสือเหมือนกันอ่นะนะ มันไม่มีความสุขในตัวของมันจริงนะจะจะทำอะไรนะความสุขมันตามบี้อยู่ตลอดเวลานั่งให้สบายแปบ๊บเดียวความสุขตามมาบี้เราแล้วนะเรานั่งต่อไปไม่ได้ต้องขยับไปขยับมาขยับมากก็ทนไม่ไหวแล้วเอ้ความทุกข์ความทุกข์มันตามย่ายีอยู่ตลอดนะพอทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินโอ้สบายหน่อยเดินไปนานๆความทุกข์ตามมาอีกแล้วอยากนั่งอยากนอนอยากนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยทำไมเราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเราถูกความทุกข์บีบคั้น หัดดูไปเรื่อยๆนะก็ะทั่งการหายใจหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้นานที่สุดสุขหรือทุกข์บางคนยังไม่ทันเลยใกล้ขาดใจแล้วลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิแล้วรู้ว่าสุขหรือทุกข์เราหายใจเข้าก็ทุกข์ใช่ไหมก็หายใจออกแก้ทุกข์ หายใจออกไปก็ทุกข์อีกนะหายใจเข้าแก่ทุกข์ทุกบี้เราอยู่ตามวีบขั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกตามบีบคั้นเราอยู่ทุกๆุอิริยาบถนะเนี่ยเฝ้ารู้ลองไปรู้ลองไปนะสําหรับคนที่ถนัดดูกายก็ดูอย่างเนี้ยมันจะเห็นเน่ยกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษความรักใครห่หวงแผนในกายนี่ก็จะลดลงลดลงนี่เห็นในจิตมันเป็นคนดูเนี่ถ้าถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยการดูจิตทําได้ไหมทําได้นะ การดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลนท่านสอนไม่เป็นขั้นๆ น, นะขั้นต้นนะ่ท่านบอกว่าอยากส่งจิตออกนอกก็คือให้จิตใจมาอยู่กับเนื้อคตัวนะนจิตใจอยู่กับเนื้อคตัวแล้วท่านสอนบอกว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำยานเห็นจิตยานทัศนะนะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานคือปัญญาปัญญาทำหน้าที่อะไรปัญญาไปเห็นเห็นอะไรเห็นจิตใจนะเห็นความจริงของจิตใจ เห็นแบบเดียวกับที่ตามองเห็นรูปเวลาเราตาเราเห็นรูปตาเราเห็นคนโน้นมาคนนี้มาะสังเกตไหมว่าตาไม่ได้เข้าไปแทรกแสงรูปมันเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นนะดูจิตก็เหมือนกันมีความสุขมีความทุกข์ยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละมีกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ไปแทรกแสงให้นิ่งนะบางคนพอมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งไปเรื่อยไอ้นั้นเรื่องของสมถะกรรมฐาน ถ้าจะทําวิปัสสนากรรมฐานนะจงทํายานยานเป็นปัญญานะรู้ได้ปัญญาปัญญาไปรู้อะไรปัญญารู้ไตรลักษณ์นะจงทํายานเห็นอะไรยานทําอะไรยานไปเห็นคําว่าเห็นน่ะคือตรงกับคําว่าวิปนะัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะบางคนก็คิดว่าต้องคิดพิจารณาโ น, น, น่นนี้การคิดเป็นวิตกไม่ใช่ไม่ใช่วิปนะัสสนาถ้าวิปัสสนาเนี่ยเห็นอย่างที่มันเป็น เห็นถูกต้องเห็นอย่างยอดเยี่ยมเลยนะจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างบางคนดูท้องฟองดูท้องยุบท้องฟองท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนาณะถ้าเห็นเลยไอตัวที่ฟองตัวที่ยุบเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทําวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาด้วยเห็นก็คือเห็นด้วยความรู้สึก ไม่ได้เห็นด้วยตาเราใช้ตาในคือตัวยานทัศนะเนี่ยตัวตัวตัวรู้ภายในของเราเนี่เองเป็นตัวรู้ก็จะเห็นเน้อร่างกายพยักหน้าพยักมากเข้าเมื่อยนะบางทีเวียนหัวเลยสายไฟใสามาเวียนหัวมีแต่ทุกข์ถ้าดูจิตดูจิตนะรู้อย่างที่จิตมันเป็นเหมือนตาเราเห็นเราเดินไปนอกห้องเนี้ยเห็นรถยนต์วิ่งไปวิ่งมา ตาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงรถยนต์เลยนะมีรถยนต์มันวิ่งแบบนี้แหละตาถึงไปเห็นมันจิตนี้ก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เหมือนรถยนต์วิ่งผ่านมานะผ่านมาผ่านไปโลกโกรธหลงผ่านมาผ่านไปดูไปเรื่อยๆถ้าดูมากเข้ามากเข้านะปัญญามันจะเริ่มรวมตัวเข้ามานะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ ปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจของรูปนามนะสิ่งเหล่านี้จะต้องฝึกทุกวันจนอัตโนมัติถ้าไม่อัตโนมัติมรรคผลยังไม่มีหรอกนะถ้าจงใจให้เกิดสติก็ยังไม่ใช่สติตัวดีจงใจให้มีสมาธิพยายามจะรู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่ดนะีจงใจจะคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเพราะการคิดนั้นมีอคติสเสมอเลย ปัญญาต้องเข้าไปเห็นเนาะปัญญาจะกกายเข้าไปเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมกายใจเห็นมันทํางานไปเรื่อยนะบังคับมันให้เกิดปัญญาก็ไม่ได้นะบังคับให้เกิดสติก็ไม่ได้บังคับให้เกิดสมาธิก็ไม่ได้ต้องทําเหตุของมันจะให้เกิดสติบ่อยๆก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆนะทําในรูปแบบไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปใจไหลไปแล้วรู้ใจยังไงอะไรเกิดขึ้นในใจจะสงบจะฟุ้งซ่านอะไรก็รู้ไปเรื่อยนะ ถ้าไปสภาวะใดเกิดขึ้นสติมันจะรู้เองสมาธิก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนนั่นแหละแล้วสมาธิจะเกิดเองจิตเคลื่อนไปคิดบ่อยๆนะให้รู้ทันปัญญาก็อยู่จากการไปเห็นมันตามที่มันเป็นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นะดูอย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าถึงจุดที่ปัญญากเกิดนี่มันไม่ใช่เกิดแบบว่าความโลภเกิดแล้วความโลภดับ ความโกรธเกิดแล้วความโกรธดับน <c oughs> ะความสุขเกิดแล้วความสุขดับปัญญาไม่ได้เกิดอย่างนั้นปัญญามันจะเป็นความรู้รวบยอดของจิตที่เกิดแบบสัดสินเด็ดขาดเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นน่นดับคือมันเห็นทีละอันทีละอันเกิดดับไปเรื่อยนะสภาวะแต่ละอย่างเกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะี่เกิดดับไปเรื่อยแต่สุดท้ายปัญญาเวลามันจะรู้แจ้งมันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับจะเห็นภาพรวมนะไม่ใช่เป็นชิช้นชิ้นละ พอแจ้งตรงนี้ดูกายดูใจของเราพอแจ้งตัวนี้นะความเข้าใจในโลกในจั ก, กรวาล น, นะมันก็จะสืบเนื่องกันไปโลกนี้ก็เกิดระดับเหมือนกันจั ก, กรวาลนี้ก็เกิดระดับเหมือนกันไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดแล้วไม่ดับนะ่างนี้จะได้ธรรมะขั้นต้นนะจะได้ธรรมะขั้นต้นก็เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาผู้ที่ได้ธรรมะขั้นต้นเนี่ยจะมีศีลอัตโนมัติศีลบริบูรณ์เลย แล้วก็จะมีสมาธิเล็กน้อยคือใจยังขยันหนีแบบพวกเราใจของพวกเราเหมือนแมวขโมยนะแวบแวบแวบไปนน่นไปนี้เรื่อยนะไม่มีสมาธิมันไม่ตั้งมั่นพระโสดาเข้าใจแบบพวกเราเนี่ยไหลตลอดไหลแวบแวบแวบแวบสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยคือแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราไม่มีจะเห็นอย่างนั้นนี่เป็นปัญญาขั้นต้นถัดจากนั้นก็ภาวนาเหมือนเดิม มันานแบบเดิมนะแต่ไม่มีอะไรประหลาดหรอกเธอมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตจะเป็นคนดูสบายๆนะดูไปเรื่อยปัญญาม่จะแก่รอบขึ้นไปนะได้สกทาคาเนี่ยสติมันเร็วมากนะใจเคลื่อนตั๊บเห็นเคลื่อนตั๊บเห็นเพราะฉะนั้นพรสกทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิปานกลางคือใจเคลื่อนแวบก็รู้แวบก็รูนะ้แปลกไหมทำไมบอกว่าพระโสดา มีสมาธิเล็กน้อยพระสกทาคามีสมาธิปานกลางพระอนาคามีสมาธิบริบูรณ์ก็เตรัจีหรือสีชีพไรเข้าฌานได้นะแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้ทําไมไม่บอกว่ามีสมาธิบริบูรณ์เพราะมันเป็นสมาธิคนละชนิดนะสมาธิของพรย่บุคคลนี่คือจิตมันตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบ สมาธิสงบเนี่ยเอามาวัดตรงนี้ไม่ได้งั้นพระโสดาบันบางคนหรือพระอราหันต์บางองค์นะเข้าได้แค่ปฐมฌานนะทำมากกว่านั้นไม่ได้ได้แค่นั้นอนะ่ะแล้วทําไมบอกว่าพผ้านาคาพาระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ต้องแยกให้ออกนะไม่งั้นจะงงเลยนั้นะสมาธิคนละชนิดกันถ้านะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ัเดียวเนี่ยคนนอกาศาสนาพุทธก็มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้านะ แล้นเราฝึกไปเรื่อยๆนะเป็นสกทาคาเนี่ยสติจะเร็วปพระจิตเคลื่อนปั๊บจะเห็นอัตโนมัติเคลื่อนปั๊บจะเห็นอัตโนมัติงั้นกิเลสเนี่ยจะเบาบางกิเลสไม่มีโอกาสที่จะทำงานเพราะสติมันเร็วมากนะราะว่าก็ภาวนาอย่างเดิมต่อไปอีกนะจนกระทั่งมันตัดสินครั้งที่สามนะเนี่ย ท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระนักข า, ายัางปัญญาปานกลางเลยนะแล้วพวกเราะ่ะมันจะได้แค่ไหนนะโสดาก็ปัญญาเล็กน้อยของเราคงน้อยมากๆเลยนะขนาดโสดายัางปัญญาเล็กน้อยเลยเพราะเรามีแต่ความหลงผิดนะว่ามีตัวเราจริงๆไมไม่เป็นปัญญาพระนักขานี่ท่านจะเห็นความจริงนะว่ากลเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายที่เที่ยวสแสวงหาอยู่เนี่ยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของแปรปรวนเป็นของที่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองจิตจะหมดความอะไรอวรในกามนะพอสงัดจากกามเนี่ยกามนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้สมาธิเสียนะพอท่านปราศจากกามคือท่านมีปัญญาเห็นแล้วว่ากามหรือ รูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเห็นอย่างนี้นะขั้นพ้นจากกรรมนั้นสมาธิอัตโนมัติที่สมบูรณ์เลยนะจะเกิดขึ้นตอนนี้เองเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรสมาธิก็ไม่เสียเพราะไม่มีกรรมมาล่อได้นะของเราจะถูกกรรมมาล่อเช่นเห็นท่านอาจารย์เดินมา ใจเราก็ ว, วิ่งไปอยู่ที่ท่านไปเสพอารมณ์ทางตาอุ้ ย, ยนี่เองหลวงพ่อเผยสารคนดังหนินะใจมันจะไหลไปเนี่ยมันจะหาความเพลิดเพลินในการดูในการฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสทางกายมันจะหาความสุขไปถ้าปัญญาแก่รอบมันมันมีแต่ทุกข์มันไม่รู้จะไปหามันทําไมไม่ใช่ของดีของพิเศษนะถ้าอย่างเนี้จิตจะได้สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวร่างกายเนี่ย เป็นก้อนทุกร้อยเ์เซนเลยนะไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากทุกในกายเนี่ยนะตด้แต่เกิดมาเราบูชาบำรุงเลี้ยงอย่างดีเลยไม่นานธรยศเราจะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวตายนะเลี้ยงอย่างดีสุดท้ายธรยศนะหักหลังนี้เราไปทุกทีเลยเนะื้อร่างกายไม่ใช่ของดีหรอกถ้าดูไปอย่างนี้นะจะสงัดจากกามได้ภาวานาต่อไปอีกนะการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายที่ว่าจะข้ามวัฏฏะกันนะ่ะจะเป็นวิวัฏฏะเนี่ย มันอยู่ที่แตกหักอยู่ที่จิตนะการปฏิบัติมันจะมาแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี้เองนะสติจ ะ, ะระลึกรู้อยู่ที่จิตโดยไม่เจตนานะสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยที่ไม่ได้เจตนานะปัญญาจะชําแรกลงไปเห็นความจริงของจิตจนะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ไปแค่เห็นตัวสภาวะที่เกิดกับจิตนะมันจะทะลุเข้าไปเห็นว่าตัวจิตเองนั่นะก็ตกอยู่ใต้ใจลัก บางท่านเห็นว่าตัวจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยนะที่เป็นผ้านหนักคานะตัวรู้จะเด่นดวงมากเลยส่วนใหญ่หลวงปู่ดูลเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงนะมาตายลงตรงเนี้ยข้ามตัวนี้ไม่ได้พีไ่ไปติดอยู่ที่จิตติดอยู่ที่ตัวรู้นี่เองที่เราฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะตัวรู้เด่นเลยเกาะอยู่ที่นี่เลยไม่ยอมปล่อยนะคล้ายจะข้ามสะพานนะเท้าก้าวก้าวไปแล้วมือไม่ปล่อยราวสะพานก็เป็นแบบนั้นไม่จะไปติด ค่ยหัดนะขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตมันจะรวมตัวลงที่จิตนะแล้วมันถ้าบุญบารมีพอหรือเคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะนะก็จะรู้ว่าตัวจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงตัวจิตเองเป็นตัวไม่เที่ยงตัวจิตเป็นตัวทุกข์ตัวจิตไม่ใช่ตัวเรานะเป็นอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะจิตจะสลัดคืนจิตให้โล่นะจะเกิดธาตุรู้ที่แปลกขึ้นมาแทนนะ หลวงปู่ดูลนท่านใช้คำว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไ ม, ม่ใช่ม่ใช่จิตฟังแล้วเหมือนเล่นสำนวนนะไอ้ตัวรู้ตัวใหม่เนี่ยจะเรียกว่าจิตก็ได้แต่มันไม่เหมือนจิตที่เคยมีจิตที่เคยมีจิตที่เคยเป็นมาตลอดเนี่ยเป็นจิตที่มีขอบเขตนะมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการวิ่งไปมีการวิ่งมานะตลับกลอกไปมาแต่ว่าจิตดวงนี้เนะี่ยมันไม่ไม่เคลื่อนที่นะ ม, มันอยู่กับที่เลยเพราะอะไรเพราะมันเต็มมันเต็มโลกาธาตุนะไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะแต่ว่าทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รู้สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ก็ต้องเรียกว่าจิตแต่จิตอย่างนี้ทำหน้าที่รู้ไม่เข้าไปเสเวยไม่เข้าไปเสพอารมณ์ไม่ไปถืออะไรเลยนะต้องฝึกนะตอนนี้ต้องเอาเป็นเอาตายถ้าจะเอาแค่สามาทิฐิเป็นพระโสดาบัน ก็คงไม่ลำบากเกินไปให้มีศีลห้าไว้ก่อนนะต้องมีศีลห้านะถ้าไม่มีศีลห้าภาวนาไม่ขึ้นหรอกจิตจะฟุ้งซ่านพอเรามีศีลห้าแล้วนะจิตใจจะสงบง่ายมีความสุขสบายคนถือศีลสบายนะคนผิดศีลลำบากจิตใจจะฟุ้งซ่านนะฝึกรักษาศีล น, นะตั้งใจทุกวันจะตั้งใจตื่นนอนมาก็ตั้งใจ ว, วันนี้เราจะรักษาศีลห้า กลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะกินข้าวกลางคืนก่อนนอนก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆไม่ต้องไปขอจากใครหรอกนะเตือนตัวเองไปเรื่อยๆตัดจากนั้นก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองนี่คือการฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปจากกรรมฐานไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจิตจะอยู่กับจิต แล้วก yeah. ็ด <tampoco S 2> ูสภาวะแยกรูปแยกน้มแยกกายแยกใจดูาดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันทำงานไปร่างกายก็ทำงานตามหน้าที่ของร่างกายความสุขความทุกข์ก็ทำงานตามหน้าที่ของความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกิเลสทั้งหลายอไรน่ก็ทำหน้าที่ของมันความโกรธก็ทำหน้าที่ของมันจิตก็ทาหน้าที่ของมันเฝ้ารู้เฝ้าดู ปัญญาก็จะเกิดเป็นลําดับไปนะต้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถัดไปไม่ใช่เถรแจ้งเลยว่าโลกภายนอกเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันเป็นของแปรปลุนจิตมันจะทิ้งปล่อยไม่ไม่ไมยึดถือกายแล้วก็สุดท้ายจิตจะรวมลงที่จิตนะก็เห็น ตัวจิตเองนะั่นแหละตัวทุกข์อันนี้เป็นธรรมะที่อัศจรรย์สุดยอดเลยหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อปีสอหกหลวงปู่ดูลท่านสอนครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านนะท่านสอนเท่ให้ฟังนะท่านพูดธรรมะให้ฟังนะีตั้งแต่บ่ายๆจนถึงกลางคืนท่านนะ่ะหอบแล้วหอบอีกเราเห็นครูบาอาจารย์เหนื่อยขนาดนั้นก็บอกหลวงปู่ครับพอแล้วหลวงปู่เหนื่อยผมจะกลับละ หลวงปู่บอกยังกลับไม่ได้จําไว้นะเพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจําไว้ท่านบอกเออจําไว้จําไว้อย่าลืมนะแต่เจอหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็บอกมาหาหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่ดูลก็สอนอย่างเดียวกันเนี้ยนะ บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตเจือถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่อันนี้เป็นคําสอนที่จะข้ามวัตฏะแล้วนะของเรายังไม่ถึงต้องมีจิตผู้รู้ก่อนอยู่ๆจะไปทิ้งเรื อ, อกลางมหาสมุทรนะตายแน่นอนอาศัยเรือจิตเราเหมือนเรือนี้แหละเป็นที่ทรงธรรมไหมค่อยฝึกฝึกฝึกไปจนจิตค่อยฉลาดฉลาดฉลา ด, ลาดขึ้นจนเข้าถึงฝั่งนั้นก็โดดขึ้นจากเรือได้นะ ก็พ้นกัดตรงนั้นเองบางท่านท่านเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์เล่าสืบสืบกันมาบางท่านเวลามันหลุดจากโลกแนละ้วมีสาเอฟเฟกต์เลนะฟ้า่ า, าแผ่นดินไหวโลกก็ท่าสะเทือนนะอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะเรื่องเฉพาะบุคคลพระ เ, เจ้าเราตอนบรรลุใช่ไหมเทวดาตะโกนบอกต่อต่อต่อต่อกัอนไปนะดีใจนะนังนากอย่างได้วิวัตะนะ คือสีห้าทุกวันฝึกในรูปแบบสักนาที20นาทีฝึกในรูปแบบคือคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมันจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็คอยดูกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจสุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วก็ส่วนดีชัว่วดูเขาทำงานนะปัญญาจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันพอเมื่อไหร่มันก็ผ่านเมนะืนั้นไม่พอไม่ผ่านไม่มีใครทาอริยมรรคให้เกิดได้ อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์พระแท้เจ้าสอนนะภิกษุทั้งหลายไม่มีใครทำอริยมรรคให้เกิดได้หรอกต้อมีศีลมีศีลสิกขาจิตติกขาปัญญาศากขามรรคผลนก็เกิดเองเหมือนชาวนาชาวนาสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้ชาวนาฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ไปหวานข้าวหวานข้าวเสร็จก็ค่อยดูแลน้ามากก็เอาออกน้ําน้อยก็เอาเข้าถึงเวลา ข้าวออกรวงเองทุกวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์นะทําปุ๋ยทําอะไรได้เยอะแยะนะก็ทําไปเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่ข้าวจะออกรวงได้เองนั่นแหละเพราะฉนั้นไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้นะไม่มีใครทําได้จิตเขาเป็นของเขาเองเมื่อเขาได้รับการอบรมศีลและศีกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเต็มที่แล้วนะวันนี้มีเวลาเท่านี้แหละหลวงพ่อ เ, เทศเกินมาสองนาทีะ สมควรแก่เวลาใครยังไม่จูใจนะไปหาซีดีฟังนะมีแจกเดี๋ยวนี้ก็ทั้งร้านโชว์หวยยังมีแจกเลยมีตำรวจใหญ่คนหนึ่งมาจากสระ บ, บุรีผู้บังคับการอะไรเงี้ยนะบอกว่าเนี่ยมาเพราะว่าได้ยินซีดีหลวงพ่อได้มาจากไหนแม่ค้ารถเข็นขายส้มตำแจกขนาดนั้นเลยนะโอซีดีเราเนี้ยตีตลาดเพลงเลย เสียอย่างเดียวนะไม่ได้ตังค์หรอกแต่เพลงเขาน้องเขาได้เงินมาเอาสมควรละ ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ปาโมดปาโมดโชเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับการเมตตาความเมตตานะคะในการแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องวิวัตะค่ะดิฉันก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์เทศมาหรือสอนพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยค่ะสรุปได้3มสิ่งเท่านั้นค่ะคือถือศีลห้าให้มั่นคงนะคะถ้าท่านใดยังสั่นคลอนรวมทั้งดิฉันด้วยก็รีบปรับปรุงตัวซะนะคะ แล้วก็ฝึกในรูปแบบค่ะนั่นก็คือการสวดมนต์หรือว่าการเจริญสมาธินะคะและสามก็คือดูกายดูใจทำงานโดยที่ไม่ต้องไปบังคับหรือว่ากดข่มไว้นะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรดูไปเช่นนั้นตามดูตามรู้ไปเช่นนั้นค่ะก็เชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนทุกท่านวันนี้คงจะได้แอปพลิเคชันสำคัญทีเดียวเลยค่ะที่จะทำให้พวกเราไปสู่ความเป็นวิวัตต น, นะคะพระอาจารย์ค่ะพอดีมีคําถามค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์ตอบคําถามจากพวกเรายติธรรมด้วยนะคะขอความกรุณาพระอาจารย์ด้วยค่ะขอ้อ1นะคะสภาวะจิตฟุ้งซ่านค่ะจะควบคุมอย่างไรดีคะไม่ควบคุมอย่าไปควบคุมมันนะควบคุมแล้วกลุ่มใจใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน ต้องหลักแม่นนะถ้าไปควบคุมเมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อ น, นั้นเลยจิตฟุ้งซ่านทำให้สงบเนี่ยไม่ควบคุมให้รู้อย่างที่มันเป็นพอรู้ว่ามันฟุง้งรู้ว่ามันไหลจิตจะตั้งมั่นเองก็ชัดเจนนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะพระอาจารย์ขะทำยังไงดีคะถ้าเรารู้ตัวว่าสติเราอ่อนมากค่ะโอ้คิดถึงความตายบ่อยๆมันประมานั่นแหละ คิดว่ายังจะอยู่อีกนานแค่นี้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์คะแค่นี้ก็สุดยอดแนละ้ว๋อได้เพชรเม็ดเอกไปแล้วนะคะคิดถึงความตายเอาไว้นะคะค่ะ <c oughs> ก็ข้อสามค่ะ จิตของตนเองคอยถามและตำหนิตัวเองอยู่เป็นนิดค่ะบางทีก็ตะคอกตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นตัวตนของตัวเองเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมคะจิตตำหนิตัวเองก็ให้รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านูฟุ้งซ่านไปถึงอดีตนะแล้วอะไรอีกตัวหนึ่งนะจิตอะไร ต้จะตำหนิตัวเองตำหนิตัวเองแล้วก็เห็นตัวตนของตัวเองเยอะเห็นตัว ต, ว ต, วตนกดีแล้วนะเห็นตามความเป็นจริงเพราะจริงๆเยอะดูสี่ท่หัดภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะรักเดียวจะรู้เลยว่านังมันร้ายตัวจริงอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยทุกคนเป็นมูตาได้มูนินมูตาได้หมดเลยใช่ไหมคะ <c oughs> พระอาจารย์ไม่รู้จักไม่รู้จักและแรงเงาค่ะพระอาจารย์มูนินใช่ไหมคะบังเอิญออยไม่ได้ดูมูนินใช่ไหมคะตัวร้ายไม่มีใครดูเลยแหละคะไม่เชื่อค่ะหลวงพไม่รู้จักหรอกที่วัดไม่มีโทรทัศน์มีของคนงานนะพระดูไม่ได้ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมพยายามที่จะไม่ตอบโต้จิต ใช้การบริกรรมพุทแทนเท่าที่มีสติแต่เมื่อขาดสติเมื่อไรนี่ไม่สามารถทําได้เลยค่ะในวิธีการจะทําอะไรเหมือนกับไม่โต้อตอบจิตค่ะไม่โต้อตอบมันทำไมมีสติรู้ทันนะใจอยากจะโต้อตอบเพรู้ทันมันนะสังเกตไหมที่โคศกถามเนี่ยพวกเราสังเกตไหมมันมีกริยาอยู่คําเดยวทําอย่างไรไม่ทําให้รู้อย่างที่มันเป็น คิดจะทําก็ผิดแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ทําผิดมากกว่าให้รู้ว่านะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูกราภิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รูว้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูนะดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็ราาู้ว่าไม่มีราคาไม่เห็น ม, มีอะไรเลยเพราะวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าทำนะเห็นอย่างกายมันเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นจิตมันเป็นยังไงเห็นมันอย่างนั้นนะ อย่าไปหลงกนความคิดของเราหลอกความคิดมันจะหลอกแต่ว่านักปฏิบัติเป็นทุกคนอ่ะนะคือตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยจะภาวนาอย่างไงถึงจะดีกว่า น, นี้อีกไคิดจะทำอ่ะแล้วเอาอะไรเอาดีนะโทษยากอะไรรู้มันลงปัจจุบันเตัวูกายดูใจนะคำว่าทำไม่มีหรอกค่ะข้อสุดท้ายนะคะยมเห็นว่าตัวเองมีความโลภมาก แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ความโลภนั้นทํำไหมทำอีกแล้วเนะา <c oughs> แค่ทําก็ผิดแล้วนะคะ <c oughs> มีความโลภดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีโลภะให้รั่วมีโลภะมีราคะให้รั่วมีราคะเนี่ยโลภไม่มีราคาก็รูัว่วไม่มีราคารู้นะเราะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราเป็นคนคิดมากคนบางจําพวกนะภาวนาไม่ได้เลยเพราะคิดแหลกลานคิดอย่างเดียวว่าทํำยังไงจะภาวนาเป็น คิดอยู่นั่นหะหาวิธีวิธีพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ค่ะที่เมตตาตอบคำถามพวกเรานะคะในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญตัวแทนพวกเราในการถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ค่ะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านเลยใครจิตออกนอกบ้างเห็นหปุ๊บลืมตัวเองแล้วน ะ, ะต้องฝึกนะ ค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะกล่าวคําถวายสังฆทานพร้อมๆกันเลยค่ะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังมะยังพันเต เยะธรรมมังพิกขุสังคสสะโอนโนช ย, ยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคอิมังเธยะธรรมมังปฏิคันหาตุพุทธศสาสานะจิรถิติยา เจวะอัมหากันจะธีขระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุทรงโปรดรับเครื่องทยาธรรมนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันกราบลาพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์อีกครั้งพร้อมเพียงกันค่ะกราบกราบกราบ